มักในฐานะทางให้ถึงความสิ้นกรรมมักคาอันเป็นอริยะมีองค์ประกอบ8ประการนี้แลเป็นทางนำไปสู่ความดับแห่งกรรมคือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิจากอังคุตรนิกายจักกะนิบาทและสังยุตตนิกายสลายตนาวัค์ ในที่นี้มัชิมาปฏิปธามีความหมายว่าเป็นทางให้ถึงความดับกรรมหรือสิ้นกรรมข้อสำคัญในที่นี้ก็คือต้องไม่เข้าใจว่าเป็นการสิ้นเวรสิ้นกรรมอย่างที่เข้าใจกันทั่วๆไปซึ่งเป็นเรื่องแคบๆต้องไม่เข้าใจว่าจะหมดกรรมได้โดยไม่ทำกรรมหรือไม่ทำอะไรซึ่งกลายเป็นลัทธินิครนไปอย่างที่กล่าวไว้ตอนว่าด้วยกรรม และต้องไม่เข้าใจว่าเป็นทางนำไปสู่ความดับกรรมสิ้นกรรมคือจะได้เลิกกิจการอยู่นิ่งเฉยไม่ต้องทําอะไรประการแรกจะเห็นว่าการที่จะดับกรรมหรือสิ้นกรรมได้ก็คือต้องทําและทําอย่างเอาจริงเอาจังเสีย ด, ด้วยแต่คราวนี้ทําตามหลักมัิมาปฏิปาทาทําตามหลักการวิธีการที่ถูกต้องเลิกการกระทาที่ผิดพลาด ประการที่สองที่ว่าดับกรรมหรือเส้นกรรมไม่ใช่หมายความว่าอยู่นิ่งๆเลิกไม่ทำอะไรหมดแต่หมายความว่าเลิกการกระทำอย่างปุถุชนเปลี่ยนเป็นธรรมอย่างอริยะบุคคลอธิบายง่ายๆว่าปุถุชนทำอะไรก็ทำด้วยตัณหาอุปาทาน มีความยึดมั่นในความดีความชั่วที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันของฉันผลประโยชน์ของฉันในรูปใดรูปหนึ่งการกระทำของปุถุชนจึงเรียกตามศัพทธรรมะว่ากรรมแบ่งเป็นดีเป็นชั่วและก็ยึดถือเอาไว้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยตัณหาอุปาทานดับกรรมคือเลิกกระทำการต่าง ด้วยความยึดมั่นในความดีชั่วที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันของฉันผลประโยชน์ของฉันเมื่อไม่มีดีมีชั่วที่ยึดมั่นไว้กับตัวทำอะไรก็ไม่เรียกว่ากรรมเพราะ ก, กรรมต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีก็ชั่วการกระทำของพระอริยบุคคลจึงเป็นการกระทำไปตามความหมายและวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ทำนั้นล้วน ไม่เกี่ยวกับตันหาอุปาทานภายในพระอริยบุคคลไม่ทำชั่วเพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะให้ทำชั่วไม่มีโลภะโทสะโมหะที่จะให้ทำอะไรเพื่อให้ตัวฉันได้ฉันเป็นทำแต่ความดีและประโยชน์และทำการต่างๆด้วยปัญญาและกรุณาแต่ที่ว่าดีก็ว่าตามที่ปรากฏยอมรับของโลก ไม่ได้ยึดว่าเป็นดีของฉันหรือดีที่จะให้ฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อปุถุชนบำเพ็ญประโยชน์อะไรสักอย่างก็จะไม่มีเพียงการทำประโยชน์ตามความหมายและวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆเท่านั้นแต่ย่อมจะมีความหวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีก็อาจจะละเอียดลงมาเป็นชื่อเสียงเกียรติคุณของฉันหรือละเอียดลงมาอีกก็อาจจะเอาพอให้สาหรับ รู้สึกอุ่นๆภูมิิไว้ภายในว่าเป็นความดีของฉันส่วนพระอริยบุคคลเมื่อบรเพ็นประโยชน์อันนั้นมีแต่การกระทำตา ม, ตามความหมายตามวัตถุประสงค์เหตุผลความควรจะเป็นอย่างไรอย่างไรของเรื่องนั้นๆเองล้วนๆเท่านั้นภาษาธรรมะจึงไม่เรียกว่ากรรมมรรคหรือมัชิมาปฏิปทานนี้ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้หมดการกระทาซึ่งมีเจตนาปรุงแต่งที่เรียกว่ากรรมดับกรรมนั้นแล้วมีแต่การกระทาบริสุทธ์ตามที่ปัญญาบอกล้วนๆต่อไปซึ่งเรียกว่ากิริยาอันนี้จึงเป็นวิธีที่ต่างกันระหว่างโลกิยะกับโลกุตระพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย จึงเที่ยวบำเพ็ญประโยชน์สั่งสอนประชาชนโดยไม่เป็นกรรมทั้งที่เป็นการกระทาซึ่งคนธรรมดาเรียกกันว่าเป็นความดี